แถวนี้ผีดุมังกรกับพญานาคต่างกันอย่างไรหลังจากเรื่องราวของพญานาคนั้นได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีวันนี้เราจะมานําเสนอสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับมังกรจีนกับพญานาคนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วคุณคิดว่ามังกรกับพญานาคมีอยู่จริงหรือเป็นแค่เรื่องแต่งขึ้น มังกรจีนเป็นสั ญ, ญลักษณ์โดดเด่นอันหนึ่งของจักรพรรดิและวัฒนธรรมจีนมีลักษณะที่มาจากสัตว์หลายๆชนิดผสมผสานกันลักษณะลำตัวยาวเหมือนงูมีเขี้ยวขนาดใหญ่หนึ่งคู่อยู่ที่บริเวณขากันไกลด้านบนมีหนวดยาวลักษณะเหมือนกับไม้เลื้อยและมีแผงคอเหมือนกับของสิงโตอยู่บนคอคางและข้อศอกมีเกรดสีเขียวเข้มทั่วทั้งบริเวณลำตัวรวมทั้งสิ้น1นเ็เกด ซึ่งเกร็ดมังกรจํานวน81แผ่นมีคุณสมบัติเป็นหยางซึ่งเป็นเกร็ดที่มีความดีเกร็ดมังกรจํานวน36แผ่นมีคุณสมบัติเป็นหินซึ่งจะเป็นเกร็ดที่มีความชั่วลักษณะเขาของมังกรจะมีสันหลังทอดยาวไปตามหลังและหางเป็นหนามยาวและสั้นสลับกันมีขาสีขาและกรงเล็บแข็งแรงเกร็ดของมังกรจีนนั้นจะมีลักษณะเฉพาะเปลี่ยนไปตามแต่ละชนิดของมังกรตั้งแต่สีเขียวเข้ม จนถึงสีทองหรือบางแหล่งกล่าวกันว่ามังกรจีนนั้นมีหลายสีเช่นสีน้ําเงินสีดําสีขาวสีแดงสีเขียวหรือสีเหลืองแต่ในกรณีของมังกรบางชนิดหลังของมังกรจะเป็นสีเขียวบริเวณด้านข้างเป็นสีเหลืองและใต้ท้องเป็นสีแดงเข้มมังกรจีนชนิดหนึ่งจะมีปีกที่ด้านข้างของลําตัวและสามารถที่จะเดินบนน้ําได้แต่สําหรับมังกรจีนอีกชนิดหนึ่ง เมื่อสบัดแผงคอไปข้างหน้าและข้างหลังจะทำให้เกิดเสียงที่ฟังดูเหมือนกับเสียงคลุยมังกรจีนจะมีโหนกอยู่บนหัวซึ่งทำให้สามารถบินได้แต่ถ้ามังกรจีนตัวใดไม่มีโหนกที่บริเวณหัวจะกามกระทาเล็กๆซึ่งสามารถทำให้มังกรลอยตัวในอากาศได้ปัจจุบันประเทศทางตะวันตกก็เพิ่งเจอวัตถุลึกลับบางอย่างสามารถลอยในอากาศได้เป็นระยะเวลาสั้นๆในประเทศจีน คนโบราณมีความเชื่อกันว่ามังกรคือสัตว์ที่ทรงพลังและศักดิ์สิทธิ์แห่งฟ้าและดินได้รับการกล่าวกันว่ามีความเป็นมิตรมากกว่าความร้ายกาดเป็นสั ญ, ญลักษณ์ที่นำมาซึ่งความสุขและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองพบได้ในแม่น้ำและทะเลสาบชอบที่จะอยู่ท่ามกลางสายฝนมังกรได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สร้างกฎแห่งความใจบุญและเป็นสิ่งที่เสริมสร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นให้แก่กษัตริย์ในราชวงศ์ชิงกษัตริย์จะนั่งบนบันลังมังกรเดินทางโดยเรือมังกรเสวยอาหารบนโต๊ะมังกรและบรรทมบนเตียงมังกรนาหรือพญา น, นาคเป็นความเชื่อในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเรียกชื่อต่างๆกันแต่มีลักษณะร่วมกันคือเป็นงูขนาดใหญ่มีงอนเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาอีกทั้งยังเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของบันไดสู่จั ก, กรวาลอีกด้วยต้นกําเนิดความเชื่อเรื่องพญา น, นาคน่าจะมาจากอินเดียด้วยมีปรกรณมหลายเรื่องเล่าถึงพญา น, นาคโดยเฉพาะในมหากรามหาภารตะนาคถือเป็นประปักของครุฑถ้าอยากทราบเกี่ยวกับพญา น, นาค ก, กับครุฑให้คอมเมนต์ไว้ไว้จะหาข้อมูลมาให้ครับส่วนในตำนานพุทธประวัติก็เล่าถึงพญา น, นาคไว้หลายครั้งด้วยกัน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีตำนานเรื่องพญา น, นาคอย่างแพร่หลายชาวบ้านในภูมิภาคนี้มักเชื่อกันว่าพญา น, นาคอาศัยอยู่ในแม่น้ําโขงหรือเมืองบาดาลและเชื่อกันว่าเคยมีคนเคยพบรอยพญา น, นาคขึ้นมาในวันออกพรรษาโดยจะมีลักษณะคล้ายรอยของงูขนาดใหญ่ลักษณะของพญา น, นาคตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันไปแต่พื้นฐานคือพญา น, นาคนั้น มีลักษณะตัวเป็นงูตัวใหญ่มีงอนสีทองและตาสีแดงเกล็ดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมีบ้างก็มีสีเขียวบ้างก็มีสีดําหรือบ้างก็มีเจ็ดสีเหมือนสีของรุง่งและที่สําคัญคือหน้าตระกูลธรรมดาจะมีเสียนเดียวแต่ตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นจะมีสามเสียนห้าเสียนเจดเสียนและ9เสียด น, น่าจะพวกนี้จะสืบเชื้อสายมาจากพญาเศรษฐนคราช หรืออนันตนาคราชผู้เป็นบรรลังของพระวิษณุนารายป ร, รมานาฏนั ก, กเกษมสมุติอนันตนาคราชนั้นเล่ากันว่ามีกายใหญ่โตมหึมามีความยาวไม่สิ้นสุดมีพันศีสัตยานาคนั้นมีทั้งเกิดในน้ําและบนบกเกิดจากคันและจากไข่มีอิทธิฤทธิสามารถบรรดาให้เกิดคุณและโทษได้พญานาคเป็นสัตว์มหัศจรรย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถแปลงกายได้ พญานาคมีอิทธิฤทธิ์และมีชีวิตใกล้กับคนพญานาคสามารถแปลงเป็นคนได้เช่นคราวที่แปลงเป็นคนมาขอบวชกับพระพุทธเจา้าในหนังสือไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงหน้าที่ชื่อทละละฉที่แปลว่าเกิดบนบกจะเนรมิตกายได้เฉพาะบนบกและหน้าชื่อชนละสะแปลว่าเกิดจากน้ำจะเนรมิตกายได้เฉพาะในน้ำเท่านั้นก่อนผู้ชายจะบวชจึงเรียกแทนว่าพ่อหน้า ซึ่งมาจากที่พญานาคเคยทูลขอบวชแก่พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าทรงไม่อนุญาตเพราะผู้ที่จะบวชเป็นพระได้ต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นพญานาคจึงทูลขอพระพุทธเจ้าว่าถ้าคนที่กําลังจะบวชก่อนบวชให้เรียกว่านาคแทนเพื่อทดแทนที่ตนไม่สามารถบวชเป็นพระได้พญานาคถึงแม้จะเนรมิตกายเป็นอะไรแต่ในสภาวะห้าอย่างนี้จะต้องปรากฏเป็นงูใหญ่เช่นเดิมคือขณะเกิด ขณะลอกคราบขณะสมสู่กันระหว่างหน้ากับหน้าขณะนอนหลับโดยไม่มีสติและที่สำคัญตอนตายก็กลับเป็นงูใหญ่เหมือนเดิมพญานาคมีพิษร้ายสามารถทำอันตรายผู้อื่นได้ไ ด, ด้วยพิษถึง64ชนิดซึ่งตามตำนานกล่าวว่าสัตว์จำพวกงูแมงป่องตะขาบคังคกมดมีพิษได้ซึ่งก็ด้วยเหตุที่นาคขายพิษทิ้งไว้และพวกงูไปเลีย พวกที่มาถึงก่อนก็เอาไปมากพวกมาทีหลังเช่นแมงปองกับมดได้พิษน้อยแค่เอาหางเอาก้นไปไป้ายเศษพิษจำพวกนี้จึงมีพิษน้อยและพญานาคต้องคายพิษทุกสิบห้าวันพญานาคอาศัยอยู่ใต้ดินหรือบาดาลคนบาดาลเชื่อว่าเมื่อบนสวรรค์มีเทพเทวาอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลกก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในหนังสือไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่า ที่ที่นาคอยู่นั้นลึกลงไปใต้ดินหนึ่งโยชหรือ16กิโลเมตรมีปราสาทราชวังที่วิจิตรพิสดารไม่แพ้สวรรค์ที่มีอยู่ถึงเจ็ดชั้นเรียงซ้อนๆกันชั้นสูงๆก็จะมีความสุขเหมือนสวรรค์พญานาคสามารถผสมพันธุ์กับสัตว์ชนิดอื่นได้แปลงกายและผสมพันธุ์กับมนุษย์ได้เมื่อนาคตั้งท้องจะออกลูกเป็นไข่เหมือนงูมีทั้งพันเสียนเดียว3หและ7ดเสียน สามารถขึ้นลงตั้งแต่ใต้ใตบาดาลพื้นโลกจนถึงสวรรค์ในทุกตำนานมักจะกล่าวถึงนาคที่ขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับเมืองสวรรค์ที่จะแปลงกายเป็นอะไรตามที่คิดตามสภาวะเหตุการณ์นั้นๆจะเห็นว่าพญานาคหรืองูใหญ่นั้นมีความเป็นมาและถิ่นที่อยู่เป็นสัตว์ส่วนในพบหนึ่งต่างหากจะมีเป็นบางครั้งที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้พญานาคเป็นทั้งเอกลักษณ์ของความดีและความไม่ดี พญานาคเป็นเจ้าแห่งงูอยู่ในบาดาลตัวยาวอย่างงูมีงอนงามมากพญานาคกับมนุษย์มีเรื่องเกี่ยวข้องกันมาแต่โบราณตามพงศ์สวดาดจะมีเรื่องพญานาคและลูกสาวพญานาคเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอพญานาคเป็นสัตว์วิเศษที่สามารถจะแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้อย่างสวยงามตามพงศ์สวดาดของไทยก็มีเรื่องเล่ามาในประวัติพระร่วงอรุณกุมารเมืองสวรรคโลกกล่าวว่าเมื่อพุทธศักราชได้ห้าร้อย พระยาอาภัยคามินีศรีลาจารย์บริสุทธิ์อยู่ในเมืองฮริพุญชัยนครออกไปจำศีลอยู่ในเขาใหญ่ทําให้ร้อนถึงอาจของนางนาคีจนทนอยู่ไม่ได้ก็เลยขึ้นมาในภูเขาใหญ่นั้นได้พบพระยาอยู่จำศีลเธอก็มาเสพเมทุนด้วยนางนาคีอยู่ได้เจ็ดวันแล้วจากลาไปพระยาจึงให้ผ้ารัตกรรมมาพลและพระธรรมรงแก่นางนาคีไว้ชมต่างหน้านางนาคีก็กลับลงไปที่เมืองพญานาคพระยาก็กลับเข้าเมืองของตนเอง และนางนาคีก็ได้ตั้งท้องนางนาคีกลัวว่าลูกตนไม่ได้เกิดเป็นไข่จะออกมาเป็นมนุษย์ซึ่งจะคลอดในเมืองพญานาคไม่ได้เมื่อคิดดังนั้นแล้วก็ขึ้นมาถึงภูเขาที่อัศนะแห่งพระยานั้นก็คลอดลูกและได้ทิ้งผ้ากับแหวนนั้นวางไว้ข้างๆแล้วก็หนีกลับลงไปเมืองนาคครั้งนั้นมีพรานป่าแพนจรคนหนึ่งออกไปหาเนื้อในป่าได้ยินเสียงเด็กร้องไห้และพรานเข้าไปก็เห็นเด็กจึงคิดว่า เด็กน้อยนี้คงเป็นลูกเท้าหลานพระยาเป็นแน่เมื่อเด็กคลอดออกมาเกิดความกลัวจึงละทิ้งเด็กน้อยนี้แล้วหนีไปพรานจึงนําเด็กน้อยนั้นไปให้ภรนยาเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมเมื่อสมเด็จพระเจ้าอภัยคามินีราชใช้ให้เสนาอมารสร้างพระมหาปราศาสตรจึงให้เกณฑ์ชาวบ้านมาถากไม้จึงเอากุมาร น, นั้นเข้ามาไว้ด้วยครั้นเม่เห็นแดดส่องต้องกุมารก็อุ้มกุมารเข้ามาไว้ในร่มพระมหาปราสาสตและพระมหาปราสาสตนั้นก็โอนเอ็นไปมาเป็นหลายครั้ง พระยาเห็นก็หลากพระไทยจึงให้เอาพรานนั้นเข้ามาถามดูพรานจะปิดบังไม่ได้ก็บอกเล่าตามความจริงว่ามีคนเอาเด็กน้อยนี้ไปทิ้งไว้ในป่าข้าพเจ้าเอามาเลี้ยงไว้เป็นลูกพระยาจึงถามว่ามีอะไรที่ติดมากับเด็กนั้นบ้างพรานก็แจ้งว่ามีแหวนและผ้าอยู่ด้วยพระยาจึงให้พรานเอามาดูก็รู้ว่าเป็นราชบุตรแห่งตนพระองค์จึงให้รางวัลแก่พรานนั้นและพระองค์จึงให้หาแม่นมรับอากุมารนั้นมาเลี้ยง และพระราชาแนชื่อกุมาร น, นั้นว่าเจ้าอรุณราชกุมารที่เล่าเรื่องพงศาวดารโบราณที่เกี่ยวกับพญา น, นาคมายืดยาวก็เพื่อแสดงว่าความเชื่อเรื่องพญา น, นาคได้มีมาช้านานแล้วบางพวกบางเหล่าก็นับถือพญา น, นาคว่าเป็นบนรรพบรุษและบรรพสตรีของตนแม้ในประวัติของขุนเจืองทันมิก ร, ราชก็กล่าวว่าเมื่อเข้าไปขอของวิเศษกับปู่ย่าตายายในถ้าก็เห็นงูหลวงตัวใหญ่มีเกร็ดอันเลื่อมเหลืองดังทองก็ขอเอาของวิเศษนั้นมา แสดงว่าปู่ย่าตายายเป็นงูใหญ่ในหนังสืออรังคธาตุกล่าวว่าชื่อเมืองศรีสัตตนาค ก, ก็มาจากนาคตัวหนึ่งมีเจ็ดหัวและ ว, ว่าเมืองจันทบุรีศรีสัตตนาคเป็นเมืองพญา น, นาคในหนังสือดังกล่าวได้เล่าถึงพญา น, นาคต่างๆล้วนแต่มีอิทธิฤทธิ์ถึงกับเคยสแสดงฤทธิ์กับพระพุทธเจ้าและได้พ่ายแพ้แก่พระองค์พากันตั้งอยู่ในพระไตรสารณคมนาคเจ็ดหัวที่ชื่อ สีสัตนาได้ทูลขอให้พระศัสดาทรงเหยียบรอยพระบาทไว้ที่ดอยนันทกังรีนอกจากนี้พญานาคยังทําให้เกิดแม่น้ำใหญ่หลายสายใช่มีเรื่องเล่าว่าครั้งปฐมกันมีนาคสองตัวอยู่ในหนองแสทั้งสองเป็นมิตรสหายกันมีอะไรก็ให้ก็แบ่งสู่กันกินตัวหนึ่งชื่อพินทะโยนกกวะติเป็นใหญ่อยู่หัวหนองอีกตัวหนึ่งชื่อธนมูลนาเป็นใหญ่อยู่ท้ายหนองกับหลานชื่อ ชีวาย น, ะนาคทั้งสองได้ตกลงกันว่าถ้ามีสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งมาตกที่หัวหนองก็ดีตกที่ท้ายหนองก็ดีจะต้องเอาเนื้อมาแบ่งกันกินบางตำรากล่าวว่าพญานาคและมังกรต่างก็อยู่ในน้ําและด้วยความที่ปีมารงตรงกับาธาตุไฟจึงทําให้สัตว์ทั้งสองชนิดนี้พ่นไฟได้เช่นเดียวกันอีกทั้งในทางเทววิทยาต่างก็ยกให้พญานาคและมังกรเป็นสัตว์ที่มีฤทธิ์ด้วยกันทั้งคู่สามารถอยู่ได้ทั้งในน้ําและบนบก เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับตำนานความเชื่อที่แตกต่างประเทศกันระหว่างมังกรกับพญา น, นาคแล้วพวกคุณคิดว่าสัตว์2ตัวนี้มีอยู่จริงหรือไม่ก็ ล, ลองตัดสินด้วยตัวเองดูแล้วกันนะครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องของผมให้ด้วยอยากให้ทําเรื่องไหนตานานอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับ